หกรรมาฐานเป็นเรื่องเฉพาะตัวทางใครทางมันวงเล็บเปิดยี่สามพฤศจิกายน25งพ้าร้้าวงเล็บปิดหลวงพ่อบอกให้อย่างหนึ่งนะบอกซื่อๆบอกโง่ๆเลยนะแบบเทกระเป๋าให้เลยทางใครทางมันทางใครทางมันนะกรรมาฐานเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ต้องอยู่ในหลักที่พระพุทธเจ้าสอน แต่เรื่องแทคกติกเรื่องกลยุทธ์เรื่องอุบายเป็นเรื่องเฉพาะตัวทั้งสิ้นเลยมันต้องรู้ตัวเองนะว่าทําอย่างไรแล้วสติเกิดบ่อยก็ทําอย่างนั้นแหละตอนนี้สติเกิดบ่อยไปแล้วชักมั่วๆแล้วสติเกิดไปเกิดมาเลยชักไม่เกิดเลยฟุ้งซ่านแทนเราก็ต้องแยบคายต้องรู้ทันเราฟุ้งไปแล้วฟุ้งไปแล้วเราควรจะทํำยังไงดีเราก็ต้องรู้ตัวเองอีกจะตามรู้ความฟุ้งด้วยปัสนาหรือทําความสงบด้วยสมาธะ หรือว่าเครียดจัดลืมมันไปเลยไปร้องเพลงสักเพลงหนึ่งก็ได้บางคนเครียดจัดมาหาหลวงพ่อติดกรรมาฐานมาเครียดใกล้บ้ามาแล้วความจริงบ้าแล้วแหละแต่หลวงพ่อก็พูดให้สุภาพหน่อยหลวงพ่อบอกร้องเพลงเป็นไหมร้องให้ฟังสักเพลงหนึ่งให้ร้องเพลงคนนี้ชอบร้องเพลงร้องเพลงแล้วสบายรู้สึกไหมเมื่อกี้เครียดตอนนี้สบายเห็นไหมตอนนี้กลับมาดูได้แล้วมันง่ายนะจริงๆทางใครทางมันทางเฉพาะตัว ทางนี้ต้องเดินคนเดียวพระพุทธเจ้าสอนนะเอกายนามกทางสายเดียวทางของท่านผู้เป็นเอกไม่มีใครเหมือนทางที่ต้องเดินคนเดียวทางเฉพาะตัวแปลได้หลายใยยะเอกายนามกงั้นไม่ใช่ว่าต้องเรียนแบบกันหลายคนมาถามหลวงพ่อทำไมไม่จัดคอร์สพระพุทธเจ้าไม่จัดนะหลวงพ่อจะเก่งกว่าท่านได้อย่างไรพระพุทธเจ้ามีแต่สอนสอนสอนแล้วก็ไล่นะโน่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนั่นภูเขา โน่นท้านั่นป่าไปทำเอาเองเวลาสอนนั้นบางคราวท่านก็สอนหลายคนพร้อมๆกันแต่พอลงมือปฏิบัติก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวแล้วถึงร่างกายจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอยู่ด้วยกันในบางคราวแต่งานในทางจิตทางใจก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวทั้งสิ้น